งาสลองทีพิพิธภัณฑ์หลวงูมั่นเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพัิบแปดณวัดปาสุทาวาสจังหวัดสกลนครโดยท่านพระอาจารย์มหาบูรยานสัมปันโน เขาไม่ได้ไหวเองจับพลาดด้วยหรอจับพลาดด้วยหรอรับหรือ namo tathagata wato rahato samma samudhatta namo t a t a ngawato r a t o s m ah m ah ah s a t t a n a t a h a a r a h a t a m u d h ดุติยามเตรียงบุษฐานสตระนองกระชามิดุติยามตีธรรมแตรองชามิดติยามตีสังารสตะนองรชามิ ตัศยามเพียมุธงังแตระนองกัจจามิ ตาติยมปีมัตะระนองชามิตาติยมปีสังารตระนองวชามิตนองมมาังมิติตาปานอธิปาราเวรมในสิบปันดั สัมมาดิยามิอะดินาดานาวรามิติข้าพดังตัมมาดิยามิตามิสุนิชาจาราวีรามิังัมมาดยามิ มูสาวาดาเวรมณีติฆาปดสมาดิยามิมูสาวาดาเวรมณีติฆาปดสมาดิยามิสุราเมรยะมัมาานาเวรมณีิสมาิยามิ มานิปันจาสิทธะปัญญาณิสีเลน a สุภะติมยันติสีเลนะภะะสมปัญญาสีเลนะนิบุติมยันติัสมากสีลังวิโตะเย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตะโตตัมมะตัมภัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตะโตัมมะตัมภัสสะ นโมตัสาสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะสมณนานันจะดับนางเจตามังพะระมุตตามันตีวันนี้เป็นวันเริ่มฉลองพิพิธภัณฑ์บริขารของท่านพระอาจารย์มั่นชุนฤ เพิ่มมาเป็นเวลาสองปีกว่าแล้ววันนี้เป็นการแสดงออกแห่งความสำเร็จให้ท่านกุติตาสนิกรชนทั้งหลายที่เดมีศรัทธาบริจาคเป็นลำดับมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้และยังจะมีศรัทธาบริจาคถวายต่อไปเป็นลำดับนับไม่มีประมาณ อาตมาจึงของอนุโมธนาสาธิการกับท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่ต่างก็มาจากสถานที่ต่างๆทั้งใกล้ทั้งไกลตละเวลํำเวลาทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานแม้ชีวิตก็สามารถสำเร็จได้ในการที่มาด้วยความศรัทธาคือความเชื่อความน้อมใส่ของท่านทั้งหลาย เมื่อได้เห็นท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาด้วยศรัทธาอย่างนี้พระหนึ่งว่าท่านอาจารย์มั่นท่านนั่งอนุโมทนากับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ในขณะนี้ตามหลักธรรมท่านว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นชื่อว่า ผูชาเราตถาคตนี้ข้อหนึ่งผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคตนี้ประการหนึ่งการปฏิบัติธรรมสมควรจะทําก็ดีการเห็นธรรมชื่อว่าเห็นตถาคตก็ดีมีหลายช่านดังที่ท่านทั้งหลายได้มาวันนี้ก็มาด้วยอำนาจอย่งศรัทธาซึ่งเป็นธรรมดวงงเหมือนกัน สัทานี่แหละที่ทำพระพุทธเจ้าให้ทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งโลกสมมุติทั้งหลายว่าเป็นของมีคุณค่ามากออกทรงขันวดบวชบำเพ็ญอยู่ในป่าในทรงบาเพ็ญด้วยความทุกข์ความทรมานถึงหกพระพันสาจงนงเนตรสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา หากพระพุทธองค์ไม่ทรงมีสัทธามีภาษาท่าความเพื่อความเลมใสต่อ ก, กรรมคือความดีความชั่วตลอดเื่อความค้นทุกข์ของพระองค์เจ้าแล้วจะไม่ทรงสละสิ่งใดทั้งหมดไม่ต้องผึงกับว่าสละพระองค์ออกทรงผนวนเลยนี่ก็ชื่อว่าศรัทธาท่านทั้งหลายที่มาทุกๆุท่านทึ่มาสู่สถานที่นี้ ไม่ว่าใกล้ว่าไกลไม่ว่าหญิงว่าชายวัยใดๆท่านวันนั้นใดๆก็ตามมาด้วยความเชื่อความลำสายความเรื่องสายความเสียสนะศรัทธาทู้ิ่งผู้อย่างจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรจะทําดังที่พระพุทธเจ้ากทรงกำหน ด, ดนมาก่อนแล้วการเห็นธรรมก็คือเห็นบุญเห็นกุศลที่เราได้บําเพ็ญตลอดมานั่นเอง นี่ก็ชื่อว่าได้บูชาตถาคตได้เห็นองคตถาคตเป็นลําดับลํำดับไม่ใช่ว่าผู้ได้ตรัสรู้ธรรมจนถึงขั้นอรหตัตตผลแล้วถึงจะได้เห็นพระพุทธเจ้าคือเราเห็นเป็นลํำดับลํำดับเห็นไกลแล้วก็เห็นใกล้เห็นใกล้เข้ามาจนกระทั่งเห็นตัวจริงๆนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงศละน่าจะสมบัติ ออกทรงผนวดออก็ขอํานาจแห่งศรัทธาจึงขออนุโทนากับท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิง่งสมกับท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้มีความเชื่อความน้ำใสมีความเมตตาต่อโลกสุลกศารได้ประพฤติปฏิบัติตนได้เป็นพระผู้ปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงแนวแน่ต่อหลักทำหลักที่ในเพื่อมรรคผลนิพพาน ญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่สอนไว้จริงๆสามีจีปฏิปันโนโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมอย่างยิ่งที่เรียกว่ามัติมาหาที่ตัณหิอี่เทียนไม่ได้เราท่านสังหลณ์ได้มาบูชาคุณท่านเพราะน เหมือนกับว่าเราเป็นลูกพิษที่ใกล้คิดสนิทกับท่านแม้ท่านจะละไปแล้วซึ่งสกุรกายอัจเป็นส่วนสมมุิที่ตกอยู่ในคติธรรมดาอย่างความไม่เที่ยงทั้งหลายก็าตามแต่คุณธรมณธรมคุณสมบัติที่เราได้ํำเนินตามท่านนี้เป็นธรรมที่มีความยั่งยืนท้าวรที่จะสามารถ มันดนบันดาลหรือสนับสนุนเราให้จะเกิดในสถานที่ดีคติที่งามได้เพื่ออำนาจแห่งคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดมาตั้งแต่ภูพสททุดทีแรกจนกระทั่งวาระสุดท้ายดังที่เคยเขียนไว้แล้วในประวัติของท่านเองซึ่งผู้สแสดงเวลานี้เองเป็นผู้เขียนเหตุ hey, ที่จะเขียนได้ ด้วยความเต็มอกเต็มใจก็พราะได้เห็นท่านอาจารย์มั่นด้วยเจ็บด้วยตัวเองเต็มตามได้ฟังเต็มหูได้มีความรู้สึกตามโอวาทและกิจยาท่าทางทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านแสดงออกเพื่อความเต็มใจของตนทิ้งใดก็ตามเมื่อเราได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูอย่างชัดเจนได้รู้ด้วยใจอย่างกระจัดแล้วทิ้งนั้นเราสามารถที่จะพูดได้ไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรม เช่นเราเดินไปในฐานที่ใดก็ตามเราไปเจอเหตุการณ์ต่างๆด้วยตาของเราและโดยได้ฟังเนื้อหูของเราว่าเขาพูดเรื่องอะไรในเหตุการณ์นั้นๆสามารถทราบชัดในสิ่งนั้นได้โดยชัดเจนแล้วเราสามารถที่จะนําเรื่องนั้นมาพูดได้โดยไม่กระดาษอายอันนี้ก็เหมือนกันการที่เขียนสวัสดิ์ของท่านพระ อ, อาจารย์มั่นออกมาในสัน่นกุตตศารนิสสุชนทั้งหลาย แม้จะเห็นองค์ของท่านเลยก็ตามได้อ่านได้รองตามหรือได้เข้าใจตามหลักปฏิปทาของท่านที่ดาเนินมาจึงยันได้เมื่อความเต็มอกเต็มใจไม่นึกกระดาอายอะไรทั้งนั้นเพราะเหตุว่าเราเคยได้เห็นท่านเคยได้ยินได้ฟังท่านทุกสิ่งทุกอย่างในการแสดงของของท่านเป็นที่น่าหลงใหล ดูท่านแล้วไม่เบือ่อฟังท่านแล้วไม่เบือ่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดเกี่ยวข้องกับท่านไม่มีการเบื่อเลยถึงจิตถึงใจทุกประการสมกับธรรมเป็นธรรมชาติถึงใจของสามโลกเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนใครจะตัณมิจีเกียนว่าเขียนไม่ถูกต้องอะไรก็ตามการที่ได้เห็นได้ยิน ด้วยตาด้วยหูของตัวเองมาพูดไม่ถูกต้องแล้วโลกนี่ก็หาลักความจริงกันหาความจริงจากกันไม่ได้เช่นไปเห็นแล้วมาพูดตามสิ่งที่เห็นได้ยินแล้วมาพูดตามสิ่งที่ได้ยินเป็นความผิดไปทั้งๆ ท, ท, ที่พูดตามหลักความจริงแล้วโลกก็ย่อมถือเชื่อถือกันไม่ได้เพราะไม่เช่นไปตามความจริงทั้งๆ ท, ที่จริงอยู่นี่นี่หลักธรรมของพระพุทธเจ้า ท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือท่านอาจารย์มั่นท่านเป็นผู้ปฏิบัติตรงเนี่ยต่อตอตัตตธรรมต่อมรรคนิพานจนสามารถได้บรรลุถึงความสมบูรณ์ของท่านตามที่เราได้มีความเพื่อควา ม, มน้ามใจในอัตธรรมที่ท่านแสดงให้ฟังโดยลําดับมาตั้งแต่วันประยู่กับท่านเริ่มแรกจนวาระสุดท้ายเจึงเป็นสิ่งที่ถึงจิตถึงใจสามารถที่จะเขียนได้ตามความรู้สึก ข, ของตนและยังแน่ใจตลอดมาว่า ยันนี้เป็นการเขียนตามหลักความจริงที่ท่านแสดงที่ท่านเป็นไปอย่างไรแล้ววันนี้ก็มีการแฉลองอที่พิธภัณฑ์คือเป็นความสาเร็จในความปรารถนาความมุ่งมั่นของชาวพุทธเราทั้งหลายต่างคนต่างเยหยทนะสารศรัทธ า, าน้อยเป็นความสามัคคีเพราะของใหญ่ ไม่สามารถที่จะทําให้สําเร็จลงได้โดยลําพังคนเดียวก็ต้องอาศัยหลายท่านหลายคนรวมเข้าก็เป็นกําลังขึ้นมาเองดังพิพิธภัณฑ์ที่สําเร็จให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นยุนาบัตินี้ลําพังคนเดียวถ้าไม่ใช่เศรษฐีจริงๆก็ไม่สามารถที่จะทำลงนาจแต่นี้ก็เพราะอํานาจแห่งจิตอาความเชื่อความสงสัย ข, ของท่านผู้นั้นผู้นี้รวมกันเข้าเป็นกําลังอันใหญ่ไม่เพียงแต่พิพิธภัณฑ์ที่สร้างสาเร็จแล้วเท่านี้ เมื่อความสามัคคีมีความพร้อมเพียงกันอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วแม้จะมากกว่านี้ใหญ่โตยิ่งกว่านี้ก็สามารถที่สาเร็จได้ด้วยอํนนานาจแห่งความสามัคคีเพราะฉะนั้นความสามัคคีจึงเป็นกําลังสําคัญของงานทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองที่จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นได้ต้องาใัยความสามัคคีไม่ใช่เป็นความแตกร้าวการแตกร้าวนั้นไม่ใช่เป็นของดีฟังแต่ว่าร้าว เลยจากเล้าแล้วก็แตกแตกแ่เราก็ใช้การใช้งานอะไรไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสกุนไกายของพวกเราเวลานี้มีความทมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอวัยวะปวดในแตกเล้าสามารถขี่กันเราจะเดินเหินลึกทําหน้าที่การงานหนักเบาเพียงใดก็สามารถที่จะทําได้ด้วยกําลังของเราแต่เมื่อร่างกายของเรา มีความบกพร่องในส่วนายอย่างนี้คุณภาพของงานของเราที่เกิดขึ้นจากการกระทําก็ต้องร้อยลงเพราะการกระทําไม่สามารถที่จะทําได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยเพราะร่างกายไม่สามาัคคีมีเก็บท้องบ้างปวดศีรษะบ้างอะไรก็แล้วแต่ชื่อว่าเป็นความไม่สะดวกในส่วนร่างกายแล้วเรียกว่าร่างกายแตกสามัคคีกันมีคนเราก็เหมือนกันอยู่ในบ้านเดียวกันถ้าแตกสามัคคีก็ บ้านนั้นก็เป็นความเดือดร้อนเช่นครอบครัวหนึ่งหนึ่งมีความกลมกลืนสามัคคีกันด้วยเหตุด้วยผลมีหลักเหตุผลเป็นที่ตัง้งหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองครอบครัวใครก็ดําเนินตามหลักเหตุผลนั้นๆที่เห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้วครอบครัวนั้นย่อมมีความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าแตกสามัคคีแล้วไม่ว่าจะครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ครอบครัวไหนๆก็ต้องมีความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าที่ทรงโลภวิถีคือรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายของโลกนี้เงทรงตรงนันห์ในเรื่องความแตกสามะคีแต่ทรงทรงเธอในความสามะคีดังที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงสามะคีกันสร้างวิจพันธ์ให้สําเร็จรู้ล่วงขึ้นมาได้นี้ชื่อว่าเป็นน้ําใจอันดีงามของเราอย่างยิ่งและผู้วิจพันธ์นี้เป็นจริงที่มีคุณค่ามากทังด้านจิตใจของชาวผู้เรา เงินเรามีจํานวนเป็นหลายหลาล้านก็ยังไม่สามารถที่จะมีคุณค่าให้ผมจํานวนของเงินที่มีอยู่แต่เมื่อเราได้แยกออกมาให้เหมาะผมกับสิ่งที่จะเป็นคุณค่าทางด้านจิตใจเช่นเราสร้างวิทยุทัหลังนี้ขึ้นเงินที่สร้างวิทยุทันทีิทยุทันนี้ปรากฏมาสองล้านกว่าบาทเงินสองล้านกว่าบาทนี่แล้จะสามารถ ยกจิตใจของประชาชนชาวพุทธของเราทั้งหลายตั้งแต่ปัจจุบันจนกระทั่งถึงอนาคตคือคุณบุตรสุดท้ายายหลังที่จะได้รึกราบไหวบูชาเป็นขวัญตาขวันใจมี่ถ้ า, าจะามั่นเป็นหลักฐานแล้ได้รับบุญรับกุศลเป็นคุณงามความดีไปตลอดสายยืดยาวนานนับไม่ทราบว่ากี่ร้อยปีเพราะชิฏฐิันธ์หังนี้สำเร็จขึ้นมาเหมือนกับเป็นหินล้วน นีเงินเพียงสองล้านกว่าบาทนี้สามารถทียกจิตใจของประชาชนให้ขึ้นสู่ความสงงามความดีได้เป็นจำนวนกี่ล้านคนเรายัางไม่อาจที่จะนับได้เพราะวันหนึ่งวันหนึ่งที่จะมีท่านผู้มากาบไ่ว้สักการบูชาพิทธคันบริการของท่านอาจารย์มัน่นซึ่งมีองค์ของท่านและท่าท่าของท่านประดิษฐานอยู่ข้างในนั้น ผู้ที่มากราบไหว้บูชามาทุกวันมาทุกเดือนมาทุกปีมาตลอดสายจกนกระทั่งถึงที่พิ พ, พ, พ, พิธภัณฑ์นี้ไม่สามารถที่จะยัดยั้งตัวอยู่ได้สลายตัวลงไปนั่นแหละพิพิธภัณฑ์ น, นี้จึงจะหมดความหมายแต่จิตใจของประชาชนคือหมดหวังที่จะกราบไหว้บูชาพิพิธภัณฑ์นี้ถ้าว่าบริการของท่านมีพระธาตุของท่านเป็นต้นที่ยังมีอยู่กราบใดคุณค่า ของบริขารนั้นๆก็ยังสามารถที่จะทำคุณประโยชน์ในทางจิตใจแก่คนอีกจานวนมากนี่แหละที่เราทั้งหลายได้สร้างพุทธิัณฑ์ด้วยอำนาจแห่งปัจจัยทยทานของเราที่เกิดขึ้นมาด้วยน้ำพัดน้ำแรงไม่ว่าจะมาจากคนมั่งคนมีคนจนไม่ว่าจะได้มามากมาน้อยมาได้มาด้วยน้ำใจอันศรัทธาที่เรียกก็เป็นของที่มีคุณค่ามากด้วยกัน เมื่อได้สร้างสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาจึงสามารถที่จะทํากิตใจของเราให้มีคุณค่ามากขึ้นไปโดยลำหนักลำหนั บ, นบเพราะอํานาจแห่งพิพิธภัณฑ์มีท่านของท่านอาจารย์มั่นนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่แล้วจึงขอให้ทุกทุกท่านได้มีความยินดีปิติในกุศลทีนทานของตนที่ได้บริจาคลงไปแล้วนี้ไม่ได้สูญหายไปไหนเงินทุกบาททุกทตะตังที่ได้รับบริจาค จากอนาท่านสรัทธาทั้งหลายรวมเข้ามาในที่พิธนหลังนี้ไม่มีการร่วอันไหลแม้แต่ตะตายหนึ่งนอกจากว่าจะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยคือไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าตกหายไปในที่ใดหรือบวกผิดลบผิดไปจากนี้อาจเป็นไปได้แต่จะให้เป็นไปด้วยจากเจตนาว่าเงินนี้ได้รั่วไหลายไปเพราะเหตุนั้นเหตุนั้ น, น, นด้วยเจตนาอย่างนี้ไม่มีที่พิธันหลังนี้จึงเป็นที่พิธัน ท, ที่บริสุทธิ์สมกับ ศรัทธาของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ทานด้วยศรัทธาจริงๆเนื้อสละออกมาจากส่วนที่เป็นของตนทางสมมุนิยมให้กลายมาเป็นทานท่านทั้งหลายได้สละออกจากตนแล้วมากลายเป็นทานอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้และเป็นสิ่งที่จะทรงเติมจิตใจของประชาชนทั้งหลายที่มากราบไหว้บูชานี้ให้มี ความถูกความเจริญให้ได้รับบุญกับท้าภูตนไม่มีประมาณพ้นทานของท่านทั้งหลายจึงได้รับการเจ็บเกี่ยวเสมอเสมอที่ได้่านไปแล้วนั้นพิพิธภัณฑ์หลังนี้เป็นศูนย์กลางแห่งจิตใจของชาวพุทธแต่เพราะอย่างยิ่งท่านกู้เป็นกรรมฐานฝ่ายพระจะได้ยึดเป็นหลักสำคัญ ตลอดถึงปฏิปทาข้อปฏิบัติของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเราเคยประสิทธิศาสตร์ให้แล้วแล้วบัดนี้จะได้เริ่มอธิบายถึงปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นเพียงเล็กน้อยให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างจึงจําเป็นต้องสร้างวิทยุพั์ขึ้นมาท่านพระอาจารย์มั่นนั้นถ้าตามความรู้สึก ข, ของผู้แสดงแล้วเราแน่ใจร้อยเปอร์เซนว่า เป็นผู้สิ้นสุดที่มุติขณีพ า, านไปแล้วโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเหตุใด จ, จึงต้องไม่สงสัยก็เพราะหลักธรรมเป็นธรรมจริงผู้ปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติจริงรู้จริงเห็นจริงอย่างไรก็ต้องอธิบายตามความเห็นจริงของท่านมีข้อข้องใจในอดในธรรมอะไรท่านชี้แจงให้ทราบตั้งแต่ต้นจนหลานความรู้ของผู้มาศึกษาอบจนนั้น นอกจากนั้นท่านยังช ท, ท่านยังได้ชี้แจงแสดงทำทพิเด็ดซึ่งเป็นพื้นฐานในจิตใจของท่านให้ฟังเป็นระยะระยะตลอดมาจนกระทั่งสุดวาราสุดท้ายว่าไปอยู่สฐ า, านที่นั้นได้บดําเพ็ญเตียนอย่างนั้นอย่างนั้นและได้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยๆเป็นลําดับลำดับคําว่าจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหมายถึงว่าจิตเลื่อนลําดับภูมิขึ้นไปโดยลําดับ จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้ที่พูดจริงทําจริงทุกสิ่ ง, ท, ง, ท, งทุกอย่างไม่มีโลกามิตรอันใดเข้าไปเจอเือปนเลยเป็นธรรมล้วนล้วนกิริยาท่าทางมีความคล่องแคล่วว่องไวเป็นลักษณะอาชาในหูไวตาไวใจก็รวดเร็วลักท่าทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วทั้งๆที่นั่งอยู่ด้วยกันก็ตามเราไม่ทราบท่นานทราบไปแล้ว เพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นเพรเพราะจิตใจที่มีความรู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความสวา่างกระจ่างแจ้งอยู่กับตัวได้เป็นใจของตัวอยู่กับตัวตลอดเวลาไม่ได้ส่งไปที่ไหนรู้ไปทางโน้นทางนี้ก็ตามแต่หลักใจความรู้นั้นอยู่กับองค์ของท่านเองมีสติรอบครอบอยู่ตลอดเวลาจะเรียกว่าสติกับความบริสุทธิ์ของท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็มาผิด ที่สมกับธรรมท่านว่าอากาลิโกคือไม่มีการมีสมัยใดๆมายื้แย่งเอาสติของท่านไปจากตัวพอที่จะให้ท่านมีความพังเถออันใดอันหนึ่งขึ้นมาหรือขณะใดขนาดหนึ่งขึ้นมาในขณะสิ่งที่มาสัมผัสต่างๆท่านอาจสร้างไม่ทันอย่างนี้ไม่มีเพราะสติอยู่กับตัว แม้จะรู้ในสิ่งใดก็ตามความรู้อันเด่นดวงอยู่ภายในขิตของท่านได้จากความบริสุทธินั้นเป็นอยู่กับองค์ของท่านโดยลำพังคือโดยเฉพาะเป็นปกติอยู่เช่น น, นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งภายนอกก็ตามสิ่งภายในก็ตามที่สัมผัสขึ้นมากับใจของท่านท่านจึงรับทราบได้อย่างรวดเร็วผิดกับเราทั้งหลายถ้าเราจะเทียบภายนอกก็เหมือนกับคนที่มีสติกับคนไม่มีสติหรือเทียบกับคนเป็นบ้า คนเป็นมากไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวมีแต่ความรู้เฉยๆสติเป็นเครื่องรับรองหรือเป็นเครื่องประคับประคองรักษาจิตนั้นไม่มีแต่ไม่ใช่คนตายเดินไปตามถนนทุ่นทางก็ไปได้แต่ไปเด้วยหน้าสดสังเวชดังที่เราเห็นอยู่แล้วในที่ทั่วๆไป น, นั่นคือคนไม่มีสติความรู้มีอยู่แต่สติเครื่องรับรองหรือความเครื่องนัทราบในสิ่งดีและชั่วจะควรปฏิบัติอย่างไรในสิ่งนั้นๆอย่างนี้ไม่มี มีแต่ความรู้มีแต่ความรู้ไม่มีสติก็เป็นคนประเภทนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงสั่งสอนอบรมให้มีสติสตังขึ้นเป็นเครื่องรักษาจิตใจคนมีสติดีทําอะไรแม้รครอบธาตุคนมีปัญญาก็มีความเฉลยวขนาดแลมคมในเหตุตา่างๆไม่ว่าจิตนอกกันในไม่ว่าจิตเล็กงานใหญ่สติปัญญาอย่างเข้าถึงแล้วกิตการนั้นๆย่อมสําเร็จรู้ล่วงหรือเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงาม ไม่เป็นที่สนิสทสนับตนเองและผู้อื่นแต่ถ้าทําอะไรขาดสติแนียเราจะเดินไปตามทางก็ตามผลสุดท้ายก็ไปพ้นสะดุดไม้และหัวต่อจนได้แล้วความเสียหายก็มาอยู่กับนิ้วเท้าของเรานั่นแหละนี่คือโทษาทางเผลอสติความไม่มีสติท่านจึงสั่งสอนอบรมให้มีสติจะตามเป็นเครื่องบํารุงอยู่เสมอจิตใจจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติต่ตอตนเองเพราะอำนาจทาสติเป็นเครื่องควบคุม หลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้ในมักข้อหนึ่งเหมือนกันว่าสัมมาสติคือมีมีสติระลึกชอบธรรมะรือชอบนั้นไปลึกในสิ่งที่จะเป็นไทยแก่ตัวเองหมดไปแล้วม่วนหนึ่งเทธรรมะ่าไม่เหมือนธรรมะที่เราศึกษาเรเรียนในตำที ติดกันมากเราศึกษาเราเรียนมาติดจนติดปากติดใจของเราแล้วก็เป็นอย่างหนึ่งเช่นน้โมตัสสาก็ตัวนะฮะตัวสัมมาสัมพุทธะใครจะว่าอะไรว่าไปส่วนฟล่องเต็มก็ล่องไปน้ามโมตัสสากเราจะไม่ลุดอิติปิโสพระกวาอรหังว่ามันวันยั่งค่าก็ได้ใครจะกลับลําำําเต็มที่ไหนว่าไปเถอะเพราอิติปิโสเราเรียนมาจนติดปากแต่ธรรมะป่าไม่เต็มเช่นนั้น ขณะแสดงจึงไม่อยากจะให้อะไรมาเกี่ยวขอ้องรบกวนให้มีแต่ความรู้กับทำที่สัมผัสกันเท่านั้นการแสดงก็เป็นความสะดวกสำหรักผู้แสดงการแ ส, สดงเ้ื่อความสะดวกผู้ฟังก็สะดวกเมื่อต้นเหตุผัดข้องปลายเหตุก็ย่อมผัดข้องเหมือนกันจึงไม่อยากให้ท่านผู้หนึ่งผู้ใดแสดงความไม่เคารพขึ้นในเวลานั้นซึ่ง ทำให้เสียมากมายสาหรับท่านผู้มีความมุ่งหมายที่จะฟังอัดฟังธรรมด้วยความตั้งใจนั้นมีจานวนมากและมาจากที่ต่างๆเราจึงเห็นคุณค่าแห่งใจยิ่งกว่าคุณค่าของเงินและยิ่งกว่าคุณค่าของสิ่งใดทั้งสิ้นในทางพุทธการท่านแสดงธรรมเราเคยเห็นในตำลักว่าบรรดาพาุทธบริษัทในขณะที่ฟังธรรมนั้นได้สาเร็จ ได้บรรลุมรรคผลเป็นชั้นๆขึน้นเป็นจำนวนมากมายเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นตกมาสมัยปัจจุบันคือสมัยพวกเรานี้เป็นอย่างไรฟังแล้วกลายเป็นลมไปหมดไม่ปรากฏว่าได้มรรคผลอันใดเลยนี่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้แล้วว่าภาชนะของเราเป็นอย่างไรบ้างถ้าภาชนะดีๆ ทำไมจึงจะไม่มีอะไรตกค้างบ้างก็ควรจะตกค้างก็ให้มีผลไม่เสียผลเสียประโยชน์การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็ดีของสาวกก็ดีผิดกับพวกเราทั้งหลายที่แสดงอยู่มากมายเพราะเหตุใดผู้หนึ่งแสดงด้วยความรู้จริงเห็นจริงจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆการแสดงตามความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นจากหลักความจริงนั้น จึงมีน้ำหนักมากธรรมจึงเรียกว่าเป็นของจริงเต็มส่วนดังที่ท่านอาจารย์มั่นเคยแสดงไว้แล้วในหนังสือมุตโตไทยหรือหนังสืออะไรจำไมค่คเคยแน่แต่จําได้แน่นอนว่าท่านแสดงว่าธรรมะของพระพุทธทเจ้านั้นเมื่อสิงสถิตยอยู่กับปุถุชนจมกลายเป็นธรรมะตรองไปแต่เมื่อสิงสถิตยอยู่กับจึงมีน้ําหนักมาก ทาจึงเรียกว่าเป็นของจริงเต็มส่วนดังที่ท่านอาจารย์มั่นเคยแสดงไว้แล้วในหนังสือมุตโตไทยหรือหนังสืออาไรจำไม่ค่อยแน่แต่จำได้แน่นอนว่าท่านแสดงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อสิงสถิตอยู่กับปุถุชนย่อมกลายเป็นธรรมะปลอมไปแต่เมื่อสิงสถิตอยู่กับพระอริยบุคคล ทำนั้นจึงเป็นของจริงเต็มปัวท่านว่าอย่างนี้นี่ท่านพูดเป็นรวมๆเอาไว้คําว่าเมื่อธรรมะถึงของพระพุทธเจ้าถ้าติดอยู่ในจิตใจของพระรยชาชาทำนั้นย่อมเป็นของจริงนั้นแยกเป็นจนส่วนก็คือพระอดียเจ้าตั้งแต่พระโสดาพระสกิท า, า่าพระอนาคาพระอรหรัน สี่ประเภทนี้คือพระโสดานั้นแม้จะจำการดำเนินของพระสกิทาคาพระอนาคาพระระหันได้ก็ตามความจำของท่านนั้นก็ยังครองอยู่คือเป็นความจำยังไม่ใช่ความจริงเต็มส่วนแล้วโดยลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระอนาคา ท่านจะจําวิธีปฏิบัติหรือรู้วิธีปฏิบัติของพระอรหันต์ได้อย่างสมบูรณ์ภายใน จ, จิตใจก็ตามนั้นก็ยังเป็นความจําและยังปลอมอยู่ตามความจํายังไม่สมบูรณ์เต็มที่ต่อมเมื่อท่านได้บรรลุถึงอรหัน ต, ตผลสมบูรณ์เมื่อไรแล้วนั่นแหละทาท่านเป็นความสมบูรณ์เต็มที่ไม่ปลองเปลอะไรเลย<ม>นี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ ออกจากพระโอษนั้นเนื่องมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์การแสดงธรรมทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแสดงออกมาจากความรู้ความเห็นภายในพระไทยรุ่นด้ว น, วนซึ่งเป็นของบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วจึงเป็นของจริงรุ่นด้ว น, วนผู้ตั้งใจฟังด้วยความตรวจ่อบย่อมสามารถจะบรรลุผลสําเร็จไปได้โดยลํำดับลําดับจนกระทั่งถึง ท่านอรหันต์ บ, บนเต็มภูมิของธรรมคำว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อสิงสถิตยอยู่กับพุตุชนท่านว่าเป็นธรรมกรองนั้นเพราะเหตุใดก็น่าจะมีข้อแย้งอยู่บ้างว่าธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่ใดก็ต้องเป็นธรรมอยู่นั่นแหละนี่ก็จริงอยู่คำว่าเป็นธรรมแต่ สำหรับผู้ทรงธรรมนั้นไม่จินเมื่อเทียบปูมาแล้วก็หมุนกับอาหารของเราซึ่งควรแกการรับทานแล้วก็ตามแต่เมื่อพัดตกลงไปสถานที่สกปรกอาหารนั้นย่อมเป็นของไม่ควรแก่หน้ารับทานไปแก่การรับทานไปนเราจะเรียกอาหารตรองก็ก็ไม่ผิดเพราะควรจะรับทานได้อยู่แล้ว แต่พัดตกลงไปถูกมูดถูกคูดอ่างนี้เป็นต้นแล้วของนั้นใครจะสามารถรับทานได้ลราเมื่อไม่สามารถรับทานได้เพราะเพราะเห็นไหนเพราะตกกระบกแล้วก็ชื่อว่านั้นเป็นของปลอมท่านเชียบกัได้อย่างนั้นก็ระงั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดได้เข้าใจตามนี้วันนี้เดยยก ถ้าสิบขึ้นเบื้องต้นว่าสมณานั้นจะนัดสนัน่งเอตัมังคารมุตตังซึ่งแปลเนื้อความว่าการเห็นสมณะเป็นมงคลอย่างยิ่ ง, งนี้คำว่าสมณะในสถานที่นี้พวกเราทั้งหลายย่อมหมายถึงพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์เป็นเครื่องเป็นเครื่องหมายของผูส้สงบกายวาจาใจ ในหลักธรรมท่านแยกไว้สี่ประเภทคือสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สี่สมณะที่หนึ่งได้แก่พระโสดาสมณะที่สองได้แก่พระสกิทาคามสมณะที่สามได้แก่พระอนาคามสมณะที่สี่ได้แก่พระอาหารหันต์นี่เรียกว่า ท่านว่าเอต ม, มังคารมุตตัมังวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาพบพราสงท่านซึ่งเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามทางแห่งองค์ของศาสนามาจากสถานที่ต่างๆได้มาเพื่อ บ, บูชาบริหารของท่านพระอาจารย์มัน่นมีพระธาตุเป็นต้นหรือเรียกว่ามาฉลองที่พิพิธภัณฑ์ ตามปกติเราจะไม่ค่อยได้พบเห็นพระมีจังนวนมากๆเพียนนี้แต่วันนี้เราทั้งหลายได้พบเห็นท่านขึ้นมาจากสถานที่ต่างๆโดยเราไม่ได้อาราธานานีมนท่านมาให้ลาบากําบุเลยต่างคนต่างก็ทราบจากใบแจ้งความทั้งพระทั้งท่านสาธุคนทั้งหลายทราบในใบแจ้งความว่าวันนี้เป็นวันเริ่มฉลองทุพิธภัณ์ บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อท่านทราบท่านขอุตาหด้นดันมาจากสถานที่ต่างๆทั้งใกล้ทั้งไกลในป่าในเขามาให้เราทั้งหลายได้พบได้เห็นได้กราบไหว้บูชาท่านเป็นฝัญตาฝันใจอันหนึ่ง<ม>ก็จับว่าเป็นมูคลคนจากเราทั้งหลายไม่น้อยส่วนสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามนั้นผู้แสดงไม่กล้าสามารถจะชี้ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบได้ว่า ท่านองค์นั้นเป็นพระโสดาท่านองค์นั้นเป็นสกิทาท่านองค์นั้นเป็นพระอนาคามาคาท่านองค์นั้นเป็นพระรหันเรื่องเหล่านี้ให้เป็นหน้าที่ของแต่ละท่านลักคนจะพิพพจิตรณาเอาเองแม้ผู้แสดงนี้ก็ไม่ได้ดเป็นสมณะไหนไหนก็เป็นหลวงตาบัวอยู่ดีๆนี่แหละผีแสดงทำให้ท่านทั้งหลายตามตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า และที่แสดงว่าธรรมะนั้นคือความสงบความสงบในสถานที่นี้หมายถึงความสงบกายหมายถึงความสงบวาจาสงบใจเฉพาะอย่างยิ่งหมายถึงความสงบใจดังที่ท่านแสดงไว้ว่าเตสังบูปะสมูสุโ ข, ขความระงับดับเสียซึ่งสังขารอันเป็นเครื่องก่อปวนกิจใจจึงเกิดสูดเนื่องมาจากสมุทัยเป็นเครื่องขัดกันให้ หมดสิ้นไปจากใจแล้วใจนั้นนหละเป็นความสงบอันอยาบเป็นความสงบอย่างยิ่งนี่หมายถึงจิตที่ดุดพ้นแล้วจากที่เลธาทะวะทั้งหลายไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่พายใจิตใจเลยเรียกว่าจิตของท่านผู้สงบเต็มภูมิหรือเรียกว่าสมณะที่สี่ในครั้งพุทธการมีมากสมณะที่หนึ่งก็ดีที่สองก็ดีที่สามก็ดีที่สี่ก็ดี ตกมาสมัยทุ ป, ปัจจุบันนี้ทำไมจึงมีแต่ชื่อของสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เรียนได้เต็มปากพูดได้เต็มปากแต่ทำไมความจริงของธรรมเหล่านี้ซึ่งออกมาจากตัวคาต ธ, ธรรมที่พระพุทธเจ้าตราสไว้ชอบแล้วยังไม่ค่อยปรากฏเป็นความจริงแก่เราชาพุทธทั้งหลายทามเป็นทั้งนี้ก็ เพราะการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเองเป็นผู้ย่อย่อนไม่สามารถที่จะดำเนินเดินตามหลักปฏิปทาที่พระองค์ทรงสแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกําลังความสามารถทําไม่ใช่ลดคุณค่าลงไปเป็นแต่เพียงว่ามนุษย์เราลดคุณค่าลงตัางๆ ค, คุณค่าขอางความอุตสาห์พยายามคุณค่าหองศรัทธาคุณค่าความประพฤติปฏิบัติความบดความทนความเอาใจใส่ ซึ่งเป็นคุณค่าแต่ละอย่างละอย่างลดลงไปลดลงไปการพุทธปฏิบัติจึงมีความย่อหย่อนเมื่อเหตุคือการนำเนินย่อหย่อนผลได้มีความยิ่งยวดได้ที่ไหนรอบผลสืบเนื่องมาจากตัวเหตุในครั้งพุทธการจะพูดถึงพระเวลาท่านมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนามีองค์ศาสนาตรงเป็นประธานแล้วพระองค์ทรงขีแจง ผัดทาให้ที่ย่อๆก็แสดงถึงประจ่าปัญจกะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าคือเกษาโลมานาขาทันตาตะโจกเพียงเท่านี้แล้วให้นำอาการเหล่านี้ซึ่งมีอยู่กับตัวไปพินิษพิจารณาอยู่ในสถานที่เวกที่สงัดที่ปราศจากความทุกข์ท่าน พุ่งชนทั้งหลายหรือสิ่งต่างๆอันเป็นเครื่องก่อควาบบำเพ่นตนอยู่ด้วยความสงบขงัดมีความภาบเยียงสืบต่อกันโดยลำดับลำดับด้วยสติเมื่อจิตใจได้รับการอบรมส่งเสริมอยู่เสมอในทางที่ดีย่อมจะมีความเจริญและจะมีความพุ่งสร้างนำทานไปมากเพียงไร ห, หรือคึกขนองยิ่งความม้าตัวพนองก็ตาม จะพ้นวิสัยของการสุดการทรมานของสารถีคือสติกับปัญญาศรัทธาความเพียรของเราไปไม่ผลนี่แหลหลักที่จะให้เข้าถึงสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มีอยู่กับการปฏิบัตินี้เท่านั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ตรงไม่มีการบกพร่องที่จุดไหนคำว่ามัทิมาเป็นศูนย์กลางแห่งความจริงทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้า ตรัสตรู้และประกาศสอนธรรมมาเดินหนักจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้และธรรมนี้ยังจะเป็นมัธยมมาตลอดไปคือเป็นศูนย์กลางแห่งความจริงเสมอไม่ว่าจะจริงในทางใดพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสไว้ผิดมีแต่ความถูกต้องดีงามทั้งนั้นเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติโดยถูกต้องมาแล้วมาแล้วและรู้จริงเห็นจริงมาแล้วการสอนธรรมจึงเป็นธรรมของจริงเสมอไม่เคยผิดเพี้ยนจากความจริงเลย แล้วพวกดาวที่มาประพฤติปฏิบัติวันนับถือพุทธศาสนาเป็นอย่างไรจึงมีแต่ของปลอมเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มกายเต็มใบหาเต็มกลิ่เต็มจันทแล้วเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนเมื่อในตัวของเรามีแต่แตมีแต่ของปลอมขาทาก็ด้อมด้ดอมอกมานิดหน่อยจะนั่งสมาธิภาวนาก็มีนิดนิดนิดนิดแล้วปลอมไปเสีย วิญญาคือความภาพเพียนจะเพี้ยนทางไหนก็ตามเพียนทางการรักษาศีลก็ตามเพียนทางภาวนาก็ตามจะเพียนทางความสัตย์ความจริงให้มีสัตย์มีจริงก็ตามมันก็ปลอมไปเสียสติก็ปลอมไปเสียตั้งสติได้ชั่วครู่ ช, ชั่วขณะก็หายไปเสียปลอมไปเสียปัญญาก็ปลอมไปเสียอะไรก็มีแต่ปลอมไปเสียปลอมไปเสียความจริงจะมีที่ไหนเล่านั่นนี่แหละ เป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพพานเราอยากเข้าใจว่ามรรคพระพุทธเจ้าสอนทำม้แล้วได้ห้าห้าพรรษามรรคผลนิพพานจะสิ้นสุดลงไปนั้นหมายถึงผู้จะปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นสิ้นสุดลงไปเท่านั้นไม่ใช่ทำสิ้นสุดมรรคผลิพานคือผู้ปฏิบัติเป็นผู้สิ้นสุดทางความรู้ษา ح, พยายามความประพฤติปฏิบัติไม่ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้อยลงไปลําดับ โดยลำหดับลำหนับจึงเป็นการตัดหนามขั้นทางตนเองหาทางออกพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะมีแต่กิเลสครอบคลุมหัวใจนั่งอยู่กับสังสมกิเลสเดินไปก็บสังสมกิเลสนอนก็บสังสมกิเลสตียาบททั้งสีมีแต่การสังสมกิเลสเครื่องกี่ขวางตนเองเพื่อให้บรรลุถึงมกกกรรคผลนิพพานได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะว่าใครเล่าเป็นผู้ส ร, ขขสาร้างความสร้างหนามเป็นผู้ตัดมักสผลนิพพานให้มีแก่เรา ก็คือเราเองเป็นผู้สร้างฝากสร้างหนามไว้สนับเหยียบย่ำทำลายตนเองนี่แหละเรื่องศาสนาในครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันนี้ตามกันที่สุดแห่งผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรอิกถ้าว่าเราจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงจริงแล้วเรียนภายในตัวของเรานี้เราก็จะทราบเรื่องของพระพุทธเจ้าทราบเรื่องสัจธรมรมพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านบรรลุธทรมถึง แต่ความพ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงนั้นบรรลุจากจากสัจธรรมสัจธรรมมีอะไรก็มีทุกข์มีสมุทยัยมีนิโรธมีมรรคทุกข์ก็ได้จะทํามไม่สบายกายไม่สบายใจนี่เรียกว่าทุกข์ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสมุทยัยคือนันทะราคะต า, าตาตาจตระอภินามินีเจอยูที่ดังกลางมัทฐานภาวะตัตหาวิภาะวะตัตหา ปัญหาทั้งสามคือความเฉยทยานหยาดไม่มีความอิ่มฟอมไม่ว่าาท่านวรรณะใดวัยใดมีความเฉรทะ ย, ทยานเต็มหัวใจนี่แหละท่านเรียกว่าสมุทัยเต็มหัวใจสมุทัยที่เต็มหัวใจนี่แหละเป็นเครื่องปิดตันมรรคผลนิพพานให้มีช่องทางเกิดขึ้นภายในใ จ, จิตใจได้มรรคคือข้อปฏิบัติจะเป็นทางก็ตามสิงก็ตามสมาธิก็ตามปัญญาก็ตามนี่คือทางเดินเพื่อความคล่ สรุถความแล้วเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลได้จากการรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยรักษาจิตนั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญที่สุดศีลแปลว่าหินทําความมัน่นคงแกจิตใจให้เท่ากับฝ้าหินเราจะทําสิ่งใดที่เป็นความจริงเป็นอัตเป็นธรรมเป็นผลเป็นประโยชน์ให้มีจิตใจเข้มแข็งเช่นเดียวกับหินเมื่อคนที่มีจิตใจเข้มแข็งต่อความตัดความจริงต่อพลังความนี้แล้ว ย่อมสามารถที่จะทําสิ่งนั้นให้สำเร็จไปได้ไม่มีอันไดที่จะมาเป็นอุปสรรคได้เลยทั้งแบบว่าหิน ส, นะ ส, นะสีละสีละสีลังแต่ว่าหินคือความน่นหนามัน่นคงสมาธิได้เกิดความสงบโดยพุ่งข้านลํวควาคาณมาเช่นเดียวกั น, นคือจิตไม่เป็นสมาธิความพุ่งข้านนั้นคืออ้ากบควรจิตใจให้ชอบท้ามขุนหมัวโมเนื่องความพุ่งข้านนั้นเลยเกิความทุกข์ ความปว่วยคนก็หลับภายในใจหาที่ปลงที่วางไม่ได้อยู่สถานที่ดใดหนีเจตความเกิดร้อนเพราะชมูไข้ได้ก็ความชุ่มช้า น, น้รับเป็นเครื่องก่อควรอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้มีสมาธิทำสมาธิ ไ, ได้แก่ความมั่นคงหรือความสงบของใจทาอย่างไรใจจึงจะมีความสงบเยือกเย็นแล้วต้องการความปลุกเพื่อการชนะเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครต้องการความตกแปะทําไมพุกทธิมีอยู่กับทุกคนทั้งหน้าตาทั้งภายในจิต เอาเห็นไรถ้าไม่ใส่พขอจะของเป็นผู้สังของเหตขึ้นมาเขาจะน้ำยาแก้ก็ได้แก่การนะเหตุที่ดีเราจะระงับจิตของาที่่ความงซ่าเรื่ออันหาเหตุหาผลไม่ได้คืนนี้เราจะแอบด้วยด้วยปัญญาโดยมีบทธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาจิตใจแช่นพุทหรืออนาคาติต เราจะกันหดพุทธรนี่ครรู้อยู่กับพุทธเพได้มีกาติดตั้งติดตทธกนหรม่ก็คิดให้ทางน้นทางนี้อันจรายเกิดความขึ้น้างเพื่อใ้ให้เนื้อใ้รู้กับกรรมวิรรมบทนันนั้นบังคับบังคับว่าสม่ำเสมอจิตไม่ปสู่อรหกนะมันเป็นเครื่องก่อขุนแล้วสู่ความ้งบคำว่าความสงบนี่คือความสงบของใจทิ่เขดึมาใส่ใจ ค fit, ly, วมามสงบตอดนี้หนามันคงเส้นสาสมาธิชื่อของจิตให้ช UM ื่อว่าสินี่ใจอสงบแล้วใจเขาเย็นใจร้อนใจรุนแรงใจมารอ้วใจนี้แล้วก็หายาที่อื่นที่ไหนเราพยายามะตอให้เข้าสู่ความสงบจะเป็นอไที่จะทาจิตของเแน่นได้เป็นอุบายที่ถูกต้องสงบแล้วใจเขาเย็น ติดใจก็ไม e ่ไอก็เบานั่งอย่ก็ไม sí ่หลังนั Leonard, is is ่งอกชัหวโงยืนจิตนี้เข้าสู่แกนกลางลงไปของความจริงๆแล้วปวดเลยหรือว่าจควาดล้วนๆไม่ได้กาหนดก็ราะเฉพาะคลด้วนเทศนี้ดูสูงอย่ได้อยู่ไหมคะไม่มีการฉันทันมันหมายแต่ความรู้นั้นว่าทิงตัวอยู่โดก็ระเทศไม่งไม่สายไม่แทบไม่ไปกับเพื่อนสมาธิเองก่อน ท่านทรงสมาเนี่โดยลท่านรู้สมาธินี้แล้ว ส, สอนเอรถถเื่องทังหลายฝั่งเพืกิจัินาต้องการาจึงต้องหาวิธีทีจะทิตทั้งหลายใ้ด้วยอุบายต่าแต่วิธีที่จะทำสมาธิเ พ, พื่ใจสงนี้กิจั้งหลายท่านมาเล่าเป็นเหมือนกันนี้เพรเป็นเรื่องา ว่าไงวเราจะไม่เข้างราะองความทัดยังไมาสบายิตัถ้าาด้กนกทลาบ้างแล้นใจเารื่องความยาากมีนเห็นก็จะานจิตี่จสุทั้งหลายที่เราเกจิตมีความก็ิแล้วก็ิแล้วจะเพิ่มไปเรื่อยๆมขึ้นโดยลาก็จะเขงไปแล้วความก็ ทัไงใจก็จะมีมากขึ้นสมาธิเต็มขท่านผู้ใดที่ยังก็เอามาธิทาพิจารณาและปฏิบัติทำมาสมาธิแจ่มเงี้ยแต่เพงในแบบแต่นตมัสก็็นอีกเ้าของเรอนนี้ถ้่านกดที่ใจของเราท่านให้เกิดความสุขทางสมาธิด้วยสองข้างไขมีทั้งนี้ั้งนัอีกปวดทะลึงทงานในแต่การแค่ชวนใ้ยกขาตัวหนข้างนอกข้างในสมาธ ทดอัเืองงจังทุกขัง้าตาของเราทุกสัวเนี้และทุกขังเมีตาเป็นทูกับหนังภายนนอกเนออยู่ทอาเป็นังตเนืออะไรทีนี้จะนหลับธรรมชาติด้วยสติปัญญาอย่าติดต่อก็เป็นับแล้วตลอดเป็นลาดับตลอดเวาตากดขึ้นมาฉันมาที่นีก็เห็นทอเห็นตามไปจริงไรูไปที่ไหนตัอังบุญมุด้ยตงเหยอขึ้นมา อ <C oughs> ท่านสอนมาเจ๊ต่อแลแ้วละนะาขาท่านตาแต่โจ้ผิดตัง้งแล้ทสวนมาก <C oughs> จะว่าทุกขุนังก็ผิดเมื่อยังไม่พ้นกต้องยึดถอนงตั้งขันการพิจาร่าดูสิ่งเหล่านี้ว่ <C oughs> าจิดอยู่ในสิ่งใดแลจิตจะมีการอย่างน้อยไม่พอ <C oughs> มากกว่านั้นก็อ <C oughs> ําอนาจแห่งการพิจารณาปัญญา อย่างตลอดกับุขทั้งหลายและทะลุกันหมดในสัน้ทั้งตัวของราเนี้ยสืงทน้อนี่ท่านเรียกว่าปัญญาคาว่าปัญญานี่หลายท่านปัญญาขั้าวสมาธิขั้นยาวปัญญาขั้นกลางสมาธิขั้นกงปัญญาขเอยสมาธิขั้นเอียปัญญาขั้นกดยากมีสมาธิเต็มป่เต็มไปเลยคาว่าขั้นสุดยอดหมาย สามารถ้องยมุดได้หมดหทั้อาชีพเดือทั้งเมดเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆมีอยู่ในถ้ำที่ใดตอนนีสามารถที่ ข, า, ขยายขยะออกออกออกมาไ้หมดจไม่ีเลนที่เหลืออยู่ภายในอี น, นี่ท่านเดือกจิตหลุดพ้นพระสันยาทำเหล่านี้ไม่ใช่ทาคือทำเอาเท่ไหร เราปฏิบัติธรรมต่าเราพูดถือพุทธศาสนาเป็นพูกคลืค้้วยูล้าสมัยผูาามข อ, ของมรรคปิพันของพระพุทธเจ้าที่ทรงเราอยายเข้าใจว่าศาสาเป็นเครื่องกดิวายศาสนาเพื่อจิตกัน ให้เราได้รับความสุกครั้งเดียวศานาไม่ได้กีดกันศานาไม่สูงความเ่ขาบ้านเมืองพระพุทธเจ้าทรงสั่งโลกให้มีพระขยันันเทียนทั้งนั้นคาว่าถ้ากค์ความรู้านสัมปัสถึงร้อในความขยันขันอยากขี้เียจความขี้เกียจเป็นที่มาแข็จนกอบจนงูไม่ใช่ของดีกานก้อนเวลาเราได้มามื่อพรขยันันเทียนไม่ว่าทัพสมัตประเทศใดๆก็ตาม ถ้าสอนวิธีให้รักษา<ห>อีกตัวอารักษสัมปะาให้ถึงร้อมนึกพาย่ายังอ่ให้ถึงร้อมนักการเก็บรักษาอันไหนที่จะควรจับควรจ่ายตรงไหนทือควรเก็บเจ้าตาไวมากน้อยเช่นไรให้เป็นคนของเจ้าของเองทุกบาททุกชะตาจะทั้งให้หมดก็ได้แล้วเมื่อสิทธิเรามีอำน า, ำนาจเพราะเป็นสมบัติของเราเ้าจะเก็บไว้ทุกไว้ทุกชะตาจะไม่มีจนไม่ซื้ออะไรมารักษาเลยรักษาอดได้เงินนั้นก็มีแต่เราก็อดอันนี้ขึ้นบน ความนมั้อมส้วัตการพิดนิพาธ์ของเระนี่หละธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้เสมอจึงไม่มีการคืบคลานล้าสมัยความคืบความล้าสมัยความลบกวนล่างสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายก็คือโลกของเราต่างหากศาสนาจะยุ่งเหยิงวุ่นวายยังไงสอนคนให้เป็นคนดีทนั่นเด็กถ้ามีธรรมะอยู่ภาในใจเด็กก็เป็นเด็กดีความประพฤติก็ดีวาจาก็ชอบความรู้ความเห็นก็มีเหตุมีผลการทำของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็เป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นแบบกินหรือแบบถักบากเขาเด็คุณระบุสุดท้ายใช้หลังได้ยึดถือเป็นตัวอย่างอัยู่ถ้าเรามีธรรมภายานยจคนที่มีธรรมภายใานใจเป็นคนที่สวยที่งามหาที่ต้องตีแ น, น่้แล้วจะคือจะล้าสมัยที่ไหน ถ้าว่าศาสนาเป็นของซึ่ของร้าสมัยพขาพูดที่เจ้าบ้านสมัยก็จะทันสมัยเขพาโลกปัจจุบันที่กําลังเดือดร้อนวุ่นวายอยู่นี้เท่านั้นเนี่ยแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายนี้แม้จะสาดเท้าก็ระซ้าว่าเของไม่ดีไม่มีใคราศาถนาทําไมเราจะถือว่าสิ่งเหล่า น, นี้เป็นของทันสมัยถ้านอกนอกจากว่าหูหนวกตาบอดเสียจนด้านเท่านั้นจึงจะเห็นสิงนี้ว่าเป็นของดีทำของลูกเจ้าท่านสอนลงตามหลักความจริงๆทําไมรับปฏิบัติจริงจะมาได้จริง เราก็คนคนหนึ่งพระพุทธเจ้า ก, ก็คนคนหนึ่งสาวกก็คนคนหนึ่งธรรมะทั้งหลายสอนลงเพื่อคนแต่และคนละคนเราก็เป็นชาวพุทธคนหนึ่งทําไมจะไม่สามารถกระเพื่อปฏิบัติตามทันได้การที่พูดว่าธรรมะหรือศาสนาหมดนับนผลมิพานอย่างนี้เป็นความคําพูดที่เกิดขึ้นมาจากการหลอกลวงของกิเด็ดเท่นั้นให้เราได้ห่างไกลจากศาสนาเมื่อคนเราเห็นศาสนาเป็นข้าศึกต่อตอนเองแล้วคนนั้นก็อาจคิ้งดีไม่ได้เลยหมดสาระ คุณค่าทั้งหมดยังมีแต่ร่างของมนุษย์เท่านั้นศาสนาเป็นของดีเป็นของเล่บเป็นของกรเสิฐมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้ากี่โระองค์ตัดสรุปตัสรุปทำเป็นของจริงกระนั้นใครได้ตัดสรุปใครไดบรรลุทำเป็นผู้ประเสริฐทั้งหมดทำมาเป็นของประเสริฐคนจะประเสริได้อย่างไะนั่นกิเลสไม่ได้ทาคุณให้กระเสริฐแต่ทําไมเราจึงยกยอปอปั้นอ น, นังหนาถ้าเรายังไม่เห็นโทษแห่งกิเลสความโลภความโกรธความหลง ราคาตัณหามีมากน้อยเพียงไรไม่เห็นโทษมากน้อยเพียงไรเรายังนี้ต้องไรับความทุกข์ความทรมานจากสิ่งเหล่านี้มากน้อยเพียงนั้นดีไม่ดีจมไปทั้งเนื้อทั้งตัวไม่รู้สึกตัวเลยเรายังจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าโง่อยู่หรือเรากับพระพุทธเจ้าใครโง่ใครฉลาดต่างกันแค่ไหนถ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนโง่ทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่มีความเดือดร้อนแล้วพวกเราเป็นคนฉลาดทำไมาเดือดร้อนมากนักละ่ะการอธิบายอย่างนี้เพื่อการย้ําให้เราทั้งหลายได้คิด ถึงเรื่องตนเองสมกับศาสนาสอนขมาที่ตนสันคิติโกท่านว่าเห็นเองออกมาจากไหนความเห็นเองนี้ออกมาจากเอหิปติโกมีอยู่รู้อยู่กับทุกคนนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้เป็นสภาพที่ท้าทาอยู่เสมอทําดีปรากฏเป็นความดีทําชั่วปรากฏเป็นความชั่วเห็นอยู่กับตัวของเราทุกคน แม้จะไปอยู่ในสถานที่ลี้ลับที่สุดไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้เลยว่าเราทําความชั่วแต่เราก็ทราบว่าเราทําความชั่วอุปมาเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในห้องคนเดียวแล้วเอาไฟขี้ตัวเองเราเราดูเราอยู่ในที่เปิดเผยเอาไปมาขี้คนจะได้เห็นเดี๋ยวมันจะร้อนเราเข้าไปปิดประตูดีๆแล้วขี้เราคนเดียวเป็นยังไงก็ร้อนอยู่คนเดียวโดดคนเดียวในห้องนั่นแหละความชั่วอยู่ในห้องมันก็รู้อยู่นอกห้องก็รู้ เพื่ิงที่ประกาศท้าทายอยู่ตลอดเวลาว่าจะไปทำที่ไหนไปเถอะชื่อว่าความดีความชั่วแล้วเป็นอาการนิโกไม่มีการไม่มีสถานที่ทำดีต้องดีเสมอทำชั่วต้องชั่วเสมอไม่ขึ้นอยู่กับที่แจ้งที่รับไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดทั้งนั้นแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำน่ะคำว่าเอหิปฏิโกเป็นการท้าทายอยู่เช่นนั้นปิโกจะตองเจ้าของรู้เองเห็นเอง นี่นะ่ละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้เรียกว่าสวัสดัสสวัขาตรัศมคือว่าตรับไว้ชอบแล้วชอบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะออกมาจากความรู้ชอบทาที่สอนจริง็นทาที่ชอบเราพยายามประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าทุกแบบทุกสบับไม่ได้ตามดาบ r m a ท่านทุกกระเบียรก็ตาม เราก็อยู่ในเกณฑ์แห่งสิทธิที่มีครูอย่างน้อยเราก็มีความร่มเย็นเป็นสุขและคุณบุตรสุดท้ายภายหลังที่ไม่มีความรู้วิชา ใ, ใดๆเกิดมาในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นแดนเกิดเป็นแบบพินแบบฉบับเรียกว่าบุพาจารน์เพราะเด็กเป็นผู้เรียนในหลักธรรมชาติอยู่เสมอจากพ่อจากแม่จากเพื่อนฝูงที่เกี่ยวข้องหูก็เห็นตาก็ได้ยิน ตาตาก็เห็นหูก็ได้ยินใจก็คิดสิ้งใดที่มาสัมผัสมากน้อยเด็กเรียนอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือการเรียนธรรมชาติของเด็กเราถ้ามีแบบเป็นแบบพิมพ์ที่ดีกิริยาที่จะแสดงออกคำประพฤติทุกด้านทุกซึ่งเป็นของทุจริตได้มาจากความทุจริตนั้นคซึมซากกันไปถึงร่างกายจิตใจของเด็กเด็กทั้งคนแม้จะไม่ได้เป็นขโมูลก็ตามแต่ออก็คือลูกของขโมยลูกของคนชั่ว จิตใจฝังอยู่ดิ่งลงไปด้วยความเชื่อต่อไปกลายเป็นคนทุ่มไปด้วยกันได้นี่เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่เช่นนี้เราจรึงควรระมัดระวังการนับถือพระพุทธศาสนาการปฏิบัติตามหลักแห่งความดีทั้งหลายจึงเป็นความดีสําหรับเราด้วยสําหรับคุณบุตรสุดท้ายภายหลังที่จะยึดถือเป็นตัวอย่างอันดีงามด้วยแล้วนอกจากนั้นมนุษย์เราทุกคน มีเปทางที่มามีที่อยู่และย่อมมีทางที่จะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าได้เช่นเดียวกันอะไรเป็นหลักยืนยันแห่งความเป็นมาความเป็นอยู่และความตายไปซึ่งจะจปเกิดในสถานในคติทางหน้านั้นอะไรเป็นเครื่องยืนดันก็ได้แต่จิตนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันสำคัญถ้าเราอยากจะทราบว่า การเป็นมาของเราเป็นอย่างไรเป็นความจริงแค่ไหนและความที่จะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าเรานี้จะเป็นความจริงได้แค่ไหนกรุณาเรียนปัจจุบันคือเรียนที่ จ, จิตใจเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือการภาวนาการภาวนานี้ได้แก่การเรียนเรื่องวิธี จ, จิตใจกายวาจาคือความเคลื่อนไหวของตนดูเสมอเสมอเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือความเคลื่อนไหวของใจ เราเรียนได้มากเราพิจารณาได้มากมีสติปัญญาค่องแคล่วว่องไวทันความเคลื่อนไหวของใจแล้วเราจะเห็นอาการของกิจที่สอสแสดงแห่งความเกิดความดับอยู่เสมอตลอดถึงความเป็นมาของกิจว่าเคยเกิดในชาติใดพบใดมาแล้วบอกอยู่ในหลักปัจจุบันล้วนๆและอนาคตข้างหน้าที่จะไปสู่พบหน้านั้นจะไปอย่างไรกิจบอกอยู่ในปัจจุบันเสมอด้วยอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องทดสอบและยังรู้ในความจริงที่มีอยู่กับกิจ ซึ่งบรรจุไว้กับจิตนั้นทั้งหมดเมื่อเราเรียนจิตนี้จบโดยสิ้นเชิงแล้วแล้วก็เป็นอันว่าเรียนพบเรียนชาติจบอดีตเป็นมาก็เป็นมาได้เพียงแค่นี้อนาคตต่อไปข้างหน้าจะไม่มีอีกแล้วเพราะปัจจุบันนี้ได้ถัดฉันแล้วจากชั่วทั้งหลายอันนี้ mm. ตัวเหตุที่ให้เกิดภพชาติต่อไปนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านท่านเรียนอย่างนี้จึงเรียกว่าวุฒิตังพระมจริย์กระตังกระร ย, ยิย์ในเรียนได้ประพุติ พระมาจารย์จบแล้วพระมาจารย์หมายถึงการประพุทธทำขั้นสูงสุดภายในจิตใจนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วคือการได้แก่การตัดภบตัดชาติการตัดภบตัดชาติก็ได้แก่การตัดที่เหลือตันหาอันเป็นเชื้อที่ให้เกิดภบเกิดชาติภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ข้ามมือสุดนี้แหละเป็นเป็นธรรมล้วน เราจะเรียกว่าอาการนิจกิตก็ได้จะเรียกว่าอาการนิจรมก็ถูกทำกับกิดเป็นอันเดียวกันเมื่อถึงขั้นเป็นธรรมชาติอันเดียวกันแล้วพูดทำก็ถูกกิดพูดกิดก็ถูกทำเพราะเป็นธรรมชาติที่พ้นจากสมมติไปแล้วท่านเรียกชื่อได้อีกว่าวิมุตต์เนี่ยก็คือความบุกพ้นจากเครื่องผูกพันทั้งหลายซึ่งเคยเป็นมานั่นแหละการกระทำประเภทนี้ นี่หมายถึงผลแห่งการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องยืนยันสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะธรรมเป็นเครื่องแน่นอนอยู่แล้วเป็นของจริงอยู่แล้วถ้าเราปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักความจริงมีแล้วไม่สงสัยว่าจะไม่ได้ทรงคุณธรรมทั้งหลายที่อธิบายมาหล่านี้ต้องเป็นไปได้อย่างแน่นอนไม่ขั้นเดก็ต้องขั้นทำไม่ใช่เติมทำโมฆะ พระพระพุทธเจ้าไม่เป็นศาสตรไม่ใช่ศาสดาโมคค์สาวกโมคค์ธรรมโมคค์แต่เป็นพระพุทธเจ้าอันแท้จริงบริสุทธิ์อย่างแท้จริงสาวกเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงธรรมะที่ได้สาเร็จในพระทัยนั้นเป็นธรรมะอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงที่เราทั้งหลายได้เป็นวาจาว่าพุทธังธรรมังทั้งังสนงังฉามิทำทั้งสามประเภทนี้ เมื่อเข้าถึงความจริงล้วนๆคือเต็มภูมิแล้วนั้นเป็นอันเดียวกันเรียวกว่าเป็นเอกภาพหมายถึงเป็นสภาพเดียวเท่านั้นจะเรียกว่าจิตก็ไม่ขัดข้องจะเรียกว่าธรรมก็ไม่ฝังจิตเพราะจิตไม่ฝังตัวเองเพราะเหตุใดจึงไม่ฝังตัวเองเพราะเป็นธรรมล้วนๆแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องภายในจิตใจดวงนั้นเป็นแต่ความบริสุทธิ์ตรงนู้นจะเรียกอะไรได้ weil. ทั้งนั้นไม่ขัดไม่คล้องเพราะไม่มีสิ่งที่จะพาให้ขัดข้องคือกิเลสแต่ก yes, ่อนคือต <ver> ัวกิเลสจะทําอะไรมันขัดทั้งนั้นมันคล่องมันกีดมันขวางนี่ตลอดเวลานี่แหละตัวข้าสึกของใจก็คือกิเลสข้าสึกของพวกเราก็คือกิเลสกิเลสกลัวแต่ทําทั้งนั้นไม่กลัวอย่างอื่นถ้าทําแล้วกิเลสกลัวถ้าอย่างอื่นแล้วกิเลสยิ่งชอบ เช่นคนโกรธโมโหตัวเองเป็นคนโกรธจัดนี่เราเพิ่มความกิเลสขึ้นมาอีกแล้วคำโมโหตัวเองก็คือกิเลสกิเลสจึงไม่กลัวกลัวแต่ธรรมพราะนั้นท่านทั้งหลายอยากให้กิเลสกลัวจึงพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมพุทธังธรรมังสังฆังสนานังคาถามิที่พระพุทธเจ้าที่เราได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นให้ถึงอยู่ภายใน จ, ใจิตใจแล้วประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านสอน พุทธทางก็ดีทำมังก็ดีสังฆังก็ดีไม่ได้สูญไปจากไหนไม่ได้สูญไปที่ไหนนั่นแหละคือธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วคือพุทธทางทำมังก่านังกขฉามิเมื่อสรุปความลงแล้วตามหลักธรรมชาติเรียกว่าธรรมมังอันเดียวพออยู่ในจิตจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตสังคะก็คือผู้ทรงความบริสุทธิ้นั้นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น นี่แหละแดนเป็นที่สุดแห่งทุกข์เมื่อจิตสิ้นสุดจากทุกข์แล้วถึงร่างกายจะเป็นทุกข์ก็ทราบว่าเป็นทุกข์แต่ไม่ยึดถือไม่กวนกระวานเพราะรู้ตามเป็นจริงของสภาพแห่งธรรม ท, ทั้งหลายเหล่านี้แล้วนี่แหละท่านเรียกว่าปัญญาขั้นสุดยอดแก้ได้หมดกิเกะละเอียดเอียดอ่อนขนาดไหนสามารถแก้ได้หมดไม่มีอันใดที่จะแหลงพรมยิ่งกว่าปัญญา และไม่มีอันใดที่จะละเอียดอ่อนยิ่งกว่ากิเลสประจําใจของตัดโลกมีปัญญาเท่านั้นที่กิเลสกลัวเมื่อปัญญาได้เข้าถึงขั้นมหาจติมหาปัญญาแล้วสามารถแทงทะลุปไปได้หมดกิเลสจะหนาเท่าภูเขาทั้งลูกนี้ก็ตามจับ้นวิสัยของปัญญาไปไม่ได้ปัญญาจึงเป็นธรรมสัคัญทั้งทางโลกและทางธรรมคนมีปัญญามีความเฉลียวฉลาด แต่ถ้าปัญญาทางธรรมแล้วก็ทําให้โลกูีความได้รับความนุ่มเย็นมากแทบถ้าเป็นปัญญาโลกโลกคือเป็นปัญญาโลกล้น้วนก็อาจจะทําโลกให้เดือดร้อนมุ่นวายได้เพราะคนที่มีความฉลาดมากใจไม่มีธรรมภายในใจเลยนั้นก่อความวุ่นวายเดือดร้อนให้โลกได้รับความทุกข์ความทนมานเพราะปัญญาประเภทนั้นเขาบุคคล น, นั้นได้มากมากยิ่งมีอํานาจมีวาสนามีลิธาจักบานุภาพมากเท่าไหร่ ความกับความฉลาดนี้เป็นเครื่องส่งเสริมกันแล้วโลกนี้เป็นไปได้ไม่มีกี่คนก็ตามท่านจริงให้ระมัดระวังมากปัญญาในก็ตามถ้ามีธรรมเข้าแสงปัญญานั้นก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้ามีเจ็เรื่องของโลกโลก้วนๆสามารถที่ทําลายเจ้าของได้เพราะอานาจแห่งปัญญานั่นแหละปัญญาประเภทนั้นทางนักตรัฐท่านเรียกว่าภาระชนคือเป็นคนเป็นคนทางคือคนเขาเบาปัญญาเนี่ย แทนที่จะเรียกว่าชนากลาบเรียกว่าเป็นคนเข่าท่าว่าเป็นคนชนดจริงๆก็ต้องทําให้ตนรับความสูขความร่มเย็นและทําโลกให้มีความสูขความร่มเย็นไปด้วยจึงเรียกว่าคนชนดคนที่ทําความเดือดร้อนให้แก่กคนอื่นโดยทําความกทุกขกระเทือนตนเองซึ่งจะาของไม่ทราบดังนั้นท่านเรียกว่าภาละชนทั้งการแสดงธรรมในวันนี้เลยไม่ทราบว่าแสดงไปถึงไหนมั่ง เทพบอกหาดหลายครั้งหลายหนจึงขอใครจากท่านผู้ฟังทั้งหลายหากว่ามีความผิดพลาดในประการโดยประการใดๆก็ดี G D. และขอขอบคุณอนุโมทนากับท่านพุทธาสนิกชนทั้งหลายที่มาจากสถานที่ต่างๆด้วยน้ําใสใจตัดขาดเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างได้มาบําเพ็ญกุศล ร, ร่วมกับท่านอาจารย์มันอาท่านอาจารย์มั่นในทราวนี้เป็นอันว่าได้สําเร็จ ผลไปตามความปรารถนาของเราคือพุิธภัณฑ์และเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังคำนี้แล้วทั้งหยาบละเอียดประการใดก็ดีข้อสำคัญจึงอยู่อยู่กับเราผู้จะนำไปประพฤติปฏิบัติตามกำลังความามความสามารถของเราวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งขออยาให้คุณงามความดีผ่านไปจากตัวของเราให้พยายามแก้ไขดัดแปลงเรานี่แหละเป็นผู้รับผิดชอบเรา มาในโลกนี้เราก็รับผิดชอบในธาตุในขันในตัวของเราไปโลกหน้าเราจะต้องไปแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยถา้ากิเลสยังมีอยู่ภายในใจเราจะเป็นผู้รับผิดชอบเราอีกการรับผิดชอบเรานั้นต้องรับผิดชอบในทางที่ดีจึงจะชื่อว่าเป็นรับผิดชอบตนด้วยความชอบธรรมพยายามอุตส่าหบ์บำเพ็ญกุณงามความดีให้เป็นที่มงคลจริญจิตใจเป็นเครื่องสนับสนุน ท่านครูใดเป็นผู้มีบุญมีกุศลท่านครูนั้นจะอยู่ในโลกข้ร่มเย็นจะไปสู่คติข้างหน้าก็มีความสุขความสบายตามหลักธรรมสั่งกล่าวไว้ว่าปุญญาณิแปโลโรกัสหมินุนปฏิถานินางหลังนี้ซึ่งแปลเนื้อความว่าบุญกุศลม่อมเป็นที่พึ่งของทั้งโลกทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะโลกนี้เราก็พึ่งบุญโลกหน้าเราก็เพิ่งบุญคำว่าบุญคือความสุขความสบายจะสบายกายแล้วก็เป็นที่ เราปรารถนาจะสบายใจและเป็นที่เราปรารถนาคนจะมีความสุขความสบายได้ต้องเป็นคนบุญคือมีคุณงามความดีประจำตนนั่นและเป็นเครื่องรับรองป้องกันเราไม่ให้ตกไปนในที่ชั่วจะมีแต่ความสุขความสบายด้วยอำนาจแห่งกุศลที่เราทั้งหลายได้บาเพ็ญมาและการบาเพ็ญกุศลนี้ให้ถือเป็นคู่ชีวิตจิตใจของเราตลอดไป แล้เอาฐานแห่งการแสดงคำนี้ขออำนาจแห่งวุญญาณุภาพองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทรงกา ร, รปกพระธรรมและประสงค์จงมาคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกาสบายใจปรารถนาสิ่งใดจงสมความปรารถนาโดยทั่วกันเอวังตมีด้วยประการชนียะถาวาริวหาภูราปริภูเ ร, รติสักรัง เอวะเมวะอิโตตินนางเปตานังอุปกะปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชฉาตุสัพเพปูเรนตุสังกะปาจันโภปนะระโสยัามันโธติระโสยัาสัพพิตโยวิวัชชันตุสัพพโรโค วินาสตุมาเตภวตมันตระโยสุขีทีาพาโยโภภวะอธิวาธนาศีดิตจามุทธาปจายิโนจตตาโรธรรมมาวัฏาริอายุวันนสุขังหาลัง